ส่วนหมุนต้องฟังกันงูต้องไวปากก็ต้องปรับให้มันเข้ากันมูก็ต้องฟังปรับช้าเกินไปเร็วเกินไปปรับให้มันพอดีพอดีเสียงดังเกินไปเสียงค่อยเกินไปปรับให้มันพอดีพอดพีตะโกนเอาตะโกนเอาคนเดียวเสียงดังกลบมลหมด มันไม่มีความไพเราะชวนให้มันเข้ากันที่ครักษาให้มันได้ที่ค่ารักษาไม่ได้มันเตะกันทั้งปีนี่แหละทวนหมุนมันปรับไม่ยากปากก็ว่าไปหูก็ฟังไปเข้าหรือไม่เข้าควรช้าหรืควรเร็วควร เสียงดังเลยหรือวาเสียงค่อยมันบอกอยู่สวดมีความไพเราะความคร่อมกมของมันมันไพเระโดยตัวธรรมเข้ามานเองสวดไพเราะมันนาวฟังคําว่านาวฟังมันรวมถึงผลข้างในด้วยนะ ทำให้จิตใจของทุกคนมันไม่ถูกอะไรสะ ก, กิดไอ้สิ่งที่มันไม่กลมกล่อมนะ่ยมันสะ ก, กิดมันก็ด่างมันมสะ ก, กิดมันไม่ราบรื่นมันไม่ราบเรียบในหัวใจของเราของท่านเราไปฟังดูซิเวลาสวดมนต์สวดมนต์เวลามีพิธีต่างๆเนะ่ยเออนี่ฟังแต่เสียงวันที่ยี่สก เดือนก่อนนะ่ะเสียงสวดอ่นนะนะดยเสียงสูงก็สูงไปเสียงต่าก็ต่าไปต่างคนต่างว่าไปยิ่งหัวหน้าเอาลําโพงดังดังไม่ดังดังดังลำโพงดังๆังไปจาะป่าคนเดียวเลยแล้วเนี่ยคนอกนั้นก็ปังงาปังงาปังงาปังงาเบ่งเสียงอะไรก็ไม่ออกแล้นอกจากนั้นแล้วเขาว่าหมูพาหมูผิดไปอีต่างหาก เสียงนังดังนั่นแหละพามูผิดร้องไปหมดมันไม่เกิดความไพเราะแท้จริงสวดกันหมูมากอยู่แล้วนี่ไม่จําเป็นต้องเอาลํำพงเอาไม้ไปจาะปากเอาไปเจาะปากก็ดังคนเดียวควรให้มีเสียงทั้งหมดที่สวดในนั้นนยมันเข้าไปมาเข้าไปในไม้ด้วย คนฟังตอนนั้นก็ไพเราะฟงคนฟังไกลๆได้ยินเสียงใหม่มันก็ไพเราะมันกลมกล่อมการไพเราะมันรวมไปถึงข้างในจิตใจมันสงบมันเยือกเย็นมันอ่อนมันน้อมมันสงบมันเยือกเย็นจิตใจของใครของใครของมนุษย์ของสัตว์เน่มันเป็นสิ่งที่น้อมไปกับอารมณ์ อารมณ์แข็งก็ดังมันก็ไม่สงบไม่เยือยเย็นอารมณ์ที่สละสลวยอ่อนน้อมมันพร้อมที่จะดึงจิตดวงนั้นไปชักจิตดวงนั้นไปตะล่อมจิตดวงนั้นไปกล่อมจิตดวงนั้นไปมโนมโนมโ น, มโนไปกว่าน้อ ม, มน้อมมโนไปกว่าน้อม นโมนโมนมะมโนมณะปลว่าินอบน้อมประว่าน้อมจิตเป็นธรรมชาติที่มักจะน้อมสิ่งที่น้อมจิตได้ดีที่สุดก็คือเสียงดนตรีเราสังเกตดูสิถ้าเราไม่พูดถึงเสียงอื่นเลยเนี่ยเสียงดนตรีจะเป็นเสียงที่น้อมจิตใจเพราะเสียงดนตรีมันเสียงอ่อนสระสลวยมีทุกระดับเสียง เขาเปิดเพลงเพราะเ พ, ะเพลงทรณีนะี่บางคนก็นั่งน้อมใจไปจนสําลึกรู้สึกน้ําหูน้ําตาไหลก็มีลองไปเปิดเสียงเพลงที่มันแข็งก็ได้ลองดู ด, ดูมันยุบไปตามอารมณ์บางคนได้ หลวงปู่ลีท่านว่าเสียงเพลงที่ร้องเป็นธรรมเนื้อหาที่มันร้องเป็นธรรมฟังเป็นธรรมได้โดยเฉพาะพอเราฟังเพลงไอ้เพื่อนปมแดนที่เขาร้องเรื่องประวัติหลวงปู่มั่นเอ่ยประวัติหลวงตาเอ่ยเราฟังไปแล้วเกิดความซาบซึ้งจับใจโดยธรรมนะ สิ่งเหานั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องไปกลองเรื่องไปกล่อมเก ล, กลาไว้ใจของเราไว้อ่ อ, อนไปกับธรรมทาให้จิตใจเนี่ยเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานได้ทําให้ จ, ใจิตใจอมุทุตาถึงความมุทุตาความอ่ อ, อนละมุนของใจได้พร้อมที่จะน้อมไปเพื่อความสงบได้อ ถึงความมุทุตาได้ถึงความละหุตาได้ทําให้จิตใจเบาปลอดโปรง่งทําให้จิตใจอ่อนน้อมไปเพื่อความสงบระ ง, งับได้เราสังเกตดูจิตใจของเราเวลาเขาจะรวมตัวเข้ามานะมันจะมีภาวะอันนี้แหละเกิดขึ้นภาวะละหุตาเบากายเบาใจปลอดโปรง่งกายปลอดโปร่งใจ โลหุตามตตามทิตามีจิตใจที่อ่อนที่น้อมเข้ามาจิตใจเข า, เ, ขาเริ่มรวมตัวเข้ามาแล้วเริ่มรู้สึกชัดชัดเจนขึ้นในตัวของตัวเองสติสัมปชัญญะแทบไม่ต้องดั่รงจิตตั้งใจมั่นว่าอารมณ์ทั้งหลายแทบไม่จําเป็นต้องว่ามันน้อมกขว่าน้อมมาเพื่อความสงบได้ ใจมันชอบสิ่งที่พาอ่ามันชอบสิ่งที่พามันอ่อนไปได้น้อมไปได้อารมณ์รักมันก็น้อมไปได้ร้องไห้กับความรักก็สามารถร้องไห้ได้อารมณ์ชังถ้าเพื่ออารมณ์นั้นมันเด่นขึ้นมาตอนนั้นนี่มันก็น้อมไปเพื่อความชังโกรธเกลียดตีฆ่าฆ่าปิยาบาศฆ่าได้ใจของคน ถ้าดีก็ดีถึงขีดสุดถ้าเลวก็เลวถึงขีดต่ําสุดเช่นเดียวกันดีก็ไปสวรรค์ไปนิพพานได้เลยเลวก็ไปนรกเอเวจีได้เลยจิตใจของคนเนี่ยยิ่งคนไม่มีศีลไม่มีธรรมด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นจิตใจพร้อมที่จะกําเริบผู้ถึงถึงรักเรื่องรักเนี่ยกําเริบปุ๊บปับขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องการมาราคานกําหนด กำนัด ป, ปุ๊บปั๊บขึ้นมาพูดถึงเรื่องความชังก็ับปฏิฆะขัดข้องคุณเคืองขึ้นมาทันทีเราจะเห็นว่าคนในโลกนี้จิตนิสัยความอ่อนโยนความแข็งกระด้างของใจไม่เท่ากันเนื่องจากว่าภาวะแวดล้อมของคนคนนั้นเนี่ยกับทุกๆคนจะไม่เหมือนกัน ภาวะแวดล้อมของคนที่อยู่ในสิ่งที่แข็งกระด้างจิตใจของเขาก็มกักจะแสดงออกมาในกิริยาที่แข็งกระด้างจิตใจของคนที่อยู่ในภาวะที่แวดล้อมที่อ่อนละมุนละไมเสียงพูดเสียงเย็นเสียงเรียกเสียงเอิญอ่อยสาเนียงเย็นใจ อ, นอย่างอยู่ในตระกูลผู้ดีมีศักดิ์มีฐานะดีมีคำพูดอ่อนหวา น, น จิตใจของเขาก็ปล่อยอ่อนหวานไปด้วยแต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยมายืนยันได้ชัดเจนว่าอยู่ในสังคมนั้นแล้วจิตใจจะไม่กมโกรธโมโหโทธโธอชุนเฉียวเกลียวกราดก็มีเหมือนกันเพราะว่าไอเรื่องมโมโหโทโสขุนเฉียวเกลียวกราดรวมไปถึงที่ฉันเรียกว่าอั น, นิสัยพื้นเพของอารมณ์ของคน มันไม่ใช่สะสมมาเฉพาะในวันสองวันนี้ในชาตินี้ในอัตภาพนี้มันสะสมมาตั้งแต่กับการบริชาติไหนเราก็ทราบอะไมได้สะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆบางคนก็อ่อนช้อยนู่นสะสมมาตั้งแต่ชาติเป็นเคยเกิดเป็นเสือเป็นราชสีนันะ่นนะ่ะเนี่ยบางทีก็ชาติต่อมาจากราชสีก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เอานิสัยราชสีแล้วมาใช้ มันเป็นอารมณ์เก่านิสัยที่เรียกว่าสันดานหรือนิสัยจริตนิสัยจริตตะจริตตะเรีว่าประพฤติตามภูมิหลังของตัวเองจริตตะแปลว่าความประพฤติจริตนิสัยนิสัยก็คือจิตมันเข้าไปอยู่ไปซ่องเสียบกับสิ่งเหล่านั้นจนเชื่องจนชินจนเชื่องจนชินเพราะฉะนั้นเรามาเทียบเคียงไม่เอาในปัจจุบันนี้ก็เทียบเคียงไม่ได้ แต่ปัจจุบันก็มีส่วนให้เป็นตกเป็นอนาคตได้ปัจจุบันมีส่วนให้เป็นอดีตได้พอล่วงไปล่วงไปล่วงไปมากๆเข้ากลายเป็นอดีตเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้กิเลส ท, ที่เราแบกมากี่กับกี่กันกี่เพาะกี่ชัดก็ตามเราน้อมมาชิระ น, น, น้อมน้อมนมาพิจรารณาเพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะเลิกเพื่อที่จะละในอารมณ์ปัจจุบันได้ในอารมณ์ปัจจุบันได้ปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอดีตปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอนาคตอดีตเราทําลงไปแล้วก็กลายเป็นวิบากวิบากกรรมวิบากกรรมตัวนี้กลายเป็น เครื่องตามหลังไปส่งไปเป็นอนาคตเป็นสเสบียงเป็นปัจจัยในอนาคตนี่อดีตบ่งบอกอนาคตปัจจุบันบ่งบอกอดีตอดีตบ่งบอกอนาคตหรือปัจจุบันบ่งบอกอนาคตเลยทีเดียวก็ได้เรื่องปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญโลกปัจจุบันชีวิตปัจจุบันจึงเป็นชีวิตที่เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่เราตั้งใจเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแก้ไขไม่ได้ไม่มีคนที่เป็นปุตุชนานาปึกจิตใจมืดเติบ๊บเหมือนหมีดำทั้งตัวเนะี่ยจิตใจมืดเติบ๊บไม่มีความสว่างสวัยในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวโดวยเหตุที่ส่องเสพสับบุรุษสัตร บ, บุรุษผู้มีศีลมีธรรมมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้ยินได้ฟัง จิตใจเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทันต่วนให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นฝึกฮัดเอากับท่านเอาเป็นเอาตายเข้าแรกเข้าใส่เขาว่าหนักหนักเข้าไอ้จิตใจดวงที่เคยดำมืดเหมือนหลังหมีเหมือนตัวหมีทั้งตัวนนัะมันก็ค่อยเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสติสัมปชัญญะที่ไม่เคยรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ค่อยเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้น ความสว่างในใจของเราก็คือสว่างด้วยสติด้วยสัมพััญญาพอเริ่มมีความสว่างความเริ่มรู้จักผิดชอบชั่วดีนี่ก็เริ่มรู้จักรู้จักสานึกรู้จักเทียบเคียงรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในทางที่ไม่ดีออกให้เป็นทางที่ดีขึ้นรู้จักอยากได้สิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐอ่ มีความอุตสาห์พยายามมีความขยันหมั่นเพียรพร้อมที่จะตั้งใจปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาทาวรไปได้ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่าประมาทความเป็นอยู่ในปัจจุบันเด็ดขาดผู้ตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมด้วยแล้วนะ จะต้องเป็นผู้ตั้งความระมัดระวังไว้ในปัจจุบันอย่างไม่คลาดสายหูสายตาของตัวเองคําว่าสายหูสายตาก็คือไม่คลาดสติไม่คลาดสัมพชัญญาของตัวเองทําจนเป็นจริตทาจนเปลี่ยนนิสัยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะจิบงานหนักงานเบาจะทํางานยากงานง่ายงานเสร็จ ง, ง่ายงานเสร็จเร็วงานต้องจดจ่อต่อความเสี่ยงไง ระมัดระวังอยู่กับสิงรานันตลอดแน่แลอ ะ, ะ, ะก็เลยเป็นตัวของตัวใช้จิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่จิตคือความนึกความคิดเนี่ยสามารถใช้เขาได้อย่างเต็มที่เมื่อก่อนใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองมันมองไม่เห็นเลยว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีมันมืดตึ๊บไปหมดหลังจากเริ่มฝึกฝนอโรงตนให้มีความรู้มีความเข้าใจ มีความสว่างไสวในข้างในรู้จักสติรู้สักจากสัมผัสจัรู้จักขันติความอดความทนรู้จักโสดจักความสงบเสงี่ยมเข้ามาเ <t> นี่ยมันก็เริ่มรู้จกักรู้จักอยากได้รู้จักปรับปรุงให้ได้รู้จักปรับปรุงให้มีรู้จักปรับปรุงให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของตัวเองไม่มีใครสักคนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองไม่ได้ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยกันทั้งนั้นใจคนใจมนุษย์นะเพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงว่าใจมนุษย์นะมันไม่เหมือนใจไม้แม้แต่ใจสัตว์มันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอยู่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเรามันก็ยังปรับปรุงได้ไม่เหมือนใจมนุษย์เพราะสมองก็พัฒนาไปได้ช้ามนุษย์นี่ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพราะสมองของมนุษย์สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปให้ได้อย่างรวดเร็วนี่เพราะฉะนั้นโอกาสใดที่เราตกอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ดีโอกาสนั้นจะเป็นโอกาสดีของเราที่เราจะยินดีฝึกฝนแล้วก็อบรมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองไปในทิศทางที่ดีมีการตั้งอกตั้งใจ ความอยากได้อยา่างดีความตั้งอกตั้งใจความเพียรความอุตสาหพยายามก็มีตามมาทุกอย่างลำบากยังไงก็ตามในเมื่อเราตั้งสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นเป็นเป้าเป็นเป้าประสงค์เป็นเป้าหมายหรือเป็นอุดมคติเป็นการตั้งทางดําเนินไปเพื่อไปสู่ที่สูงเพื่อความเป็นไปของจิตในทางที่สูงการ ตั้ระมัดระวังตัวเองก็มันจะมีความระมัดระวังมากกว่าคนที่ไม่ตั้งไม่ตั้งเอาไว้บางคนไม่มีอุดมคติเป็นของตัวเองไม่มีอุดมคติเป็นของตัวเองตั้งความอยากไว้เป็นอุดมคติความอยากร้อยทั้งร้อยที่เราประสิทธ์จากการพิจารณาใคร่ครวญใจ ต, ตรองโดยโด้วยเหตุด้วยปัจจัดยดย้วยศีลด้วยธรรมอย่างแท้จริงแล้วความอยากร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด ที way, enough enough ่ท่าเรียกว่าทําตามความอยากทําตามความอยากนะทำตามความอยากทําตามอารมณ์อารมณ์ของตัวเองมันมาพร้อมกับความอยากอารมณ์ของตัวเองมันมาพร้อมกับความอยากเขาพูดอย่างนั้นเขาทําอย่างนั้นแล้วไม่สบอารมณ์คือไม่ไม่ตรงตามความอยากของตัวเองไม่สบอารมณ์ไม่ถูกใจไม่ชอบตามอารมณ์ คือมันไม่ไปสัมพันธ์กับจิตดวงนั้นกลายเป็นเรื่องขัดขัดคลายเป็นเรื่องคล่องกลายเป็นเรื่องคาเงี้ยถ้าเราจะเทียบเหมือนแบบพระยศะนั่นแหละตอนสมัยจะจะออกบวชนะ่ยในขณะที่จิตมันสัมผัสธรรมเกิดความเบื่อนหน่ายกับพวกสาวใช้นางบำเรอทั้งหลายเนะ่ยเกิดความเบื่อนหน่ายขัดคล่องขึ้นมาเพราะตอนนั้นจิตมันมีอารมณ์เป็นธรรม พอไปพอมันไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมมันก็ขัดข้องขึ้นมาทันทีโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยขับแคบตีบตันด้วยขัดข้องลึกเกินออกไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยเดินบ่นเพ้ออุทานออกไปนะวุ่นวายเนอะวุ่นวายเนอะวุ่นวายเนอะขัดขอ้องเนาคืออารมณ์ที่มันปรากฏมันไม่ใช่อารมณ์ธรรมแล้ว มันไม่ใช่อารมณ์ทมที่จิตใจดวงนั้นกําลังต้องการทำมันกลายเป็นอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกิเลสมาขัดข้องหัวใจไม่ถูกจกิตไม่สูกนิสัยไม่ถูกใจหรือถ้าจะว่าเป็นธทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้พลิกจากสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งดีกลายเป็นอารมณ์ทำอย่างนั้นก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนป่าชา้าผีดิบเ ห, เหมือนซากศพนอนบนเพลละเมลพบ น้ำหูน้ำตาไหลน้ำลายเยิมบางคนก็กัดฟันบางคนก็จุปากบางคนก็เหยียดแข้งเหยียดขาถกผ้าอะไรสารพัดแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นคนหลับก็คือคนไม่มีสติกิริยาทีม่มันพากายไปยังไงก็รู้ไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นกิริยาจึงเหมือนสักศพในปอยช้า ไรยะสะเดินบนุญขัดข้องนอ้อวุ่นวายนอ้อขัดข้องนอ้อวุ่นวายนอ้อไปพระติเจ้ากำลังนั่งภาวนาตอนเช้าพอดีใกล้สว่างเออที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายมาที่นี่มาที่นี่เราจะแสดงทําให้ฟังเหมือนคนที่กำลังหิวประหายน้ําอย่างเต็มที่หมดขีดสุดแรงมีคนเขาบอกว่าตรงนี้อตรงนี้มีน้ําตรงนี้มีน้ําดีอกชื่นอกชื่นใจขึ้นมาเต็มที่ จิตใจเปลื้มปีติอินดีที่จะได้ดื่มน้าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายจงมาที่นี่เราจักแสดงทำให้ฟังโ อ, อ้ช่วยลดช่วยเพิ่มความหวังช่วยเพิ่มความหวังช่วยเพิ่มความอบอุ่นช่วยเพิ่มกำลังใจขึ้นมาอย่างรวดเร็วในขณะที่จิตกำลังต้องการสิ่งที่สิ่งที่จิตเรียกร้องและก็ไปประสบผลอย่างนั้น ดี อ, อกดีใจถอดรองเท้าเข้าไปกราบพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแสดงธรรมก็แสดงเรื่องของกรรมนี่แหล ะ, ะกรรมมคุณแสดงเรื่องทานน่ยทานให้ผลเป็นเรื่องของกรรมคุณแสดงซึ่งเรื่องถึงเรื่องของศีลศีลก็ให้ผลเป็นเรื่องของกรรมคุณเพราะทั้งทานทั้งศีลเนี่ยทำให้เราได้สวรรค์ ตายแล้วมีวิบากกรรมต้องไปเกิดบนสวรรค์วิบากกรรมที่เราจะไปได้รับบนสวรรค์นะคือกามคุณอย่างสมบูรณ์แบบว่างั้นเถอะเป็นกามคุณอย่างสมบูรณ์แบบอ่าเป็นผลเป็นอนิสงส์ที่ได้ประสบพบเห็นรูปก็ดีๆเสียงก็ดีดีกลิ่นก็ดีดสัมผัสก็ดีดีเป็นของทิพย์ไปหมดเนี่ยนี่เป็นกามคุณชนิดที่ละเอียดที่สุดท่านจึงแสดงเรื่องการให้ทาน แสดงถึงการรักษาศีลและแสดงถึงเรื่องสวรรค์สวรรค์เป็นที่ที่ผู้ให้ทานให้รักษาศีลจะต้องได้ไปอบัติไปเกิดสักขคฐานแสดงเรื่องสวรรค์เป็นที่เรื่นเริงเพลิดเพลินมันเทิงใครได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ไม่มีไม่ต้องชันยุบชันยาไม่ต้องปวดเส้นปวดเอน็นปวดหัวตัวร้อนเลยไม่คงไม่เครียรโรคตับโรคปอดโรคตายอะไรไม่มีทั้งนั้นนะ กายกกายทิพย์ไม่มีโรงพยาบาลอยู่บนนั้นเขามีความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ใจแต่รูปพันสันพานของเขาไม่มีเปลี่ยนไปเกิดก็ไปเกิดแบบไม่ต้องมีพ่อออกแววเหมือนอย่างเราเนี่ยเขาเรียกว่าโอปปะปาติกะกําเนิดไปผลขึ้นเลยใหญ่เต็มตัวมีเครื่องประดับประดาเต็มยศอยู่ในนั้นมีบริษัทบริวารมาพร้อมคอยรับใช้ทันที เน่ก็เรียกว่าโอปะปาติกะกำเนิดกำเนิดผุดขึ้นนี่คือผลของการให้ทานรักษาสินทำให้เราได้สวรรค์สวรรค์สูงขึ้นไปกว่านั้นสวรรค์หกชั้นก็คืออยู่ในชั้นของกามคุณทั้งนั้นอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาสินตั้งใจประพฤติคุณงามความดีอย่างอื่นอันประกอบไปด้วยการ ทานพิยาวาจาอัตเจริยาประพฤประโยชน์เพื่อคนอื่นสมานัตตาแม่ได้ทําตนให้สม่ําเสมอไม่เป็นเหตุให้กินแหนงแขลงใจของคนอื่นที่ได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของผลของกรรมทําให้เราไปได้กามคุณบุญสวรรค์อะไรก็เป็นของทิพย์ไปหมดอาหารเกิดทิพย์ของทรงก็เป็นของทิพย์ ท, ที่อยู่อาศัยก็ทิพย์ไปหมดคําว่าทิพย์มันคือมันอลังการไปหมดแหละ ไม่ต้องกีบหมอตัวร้อนไม่ต้องมีหยุดมียาไม่ต้องมีโรงหมอโรงพยาบาลไม่มีอยู่บนนั้นร่างกายเกิดก็โตเต็มที่เครื่องประดับมาพร้อมสวรรค์ส ว, สวรรค์แปลว่าเป็นที่ ท, ที่อารมณ์ดีท่านว่างั้นนะใครเกิดไปอยู่บนนั้นเนี่ยอะไรก็ถูกถูกหูถูกตาถูกตาถูกหูตาก็คือรูปเจอแต่รูปดีๆงามๆเสียงก็จะเจอแต่สิ่งที่เสียงที่ไพเราะเพราะพลงดนตรีบนสวรรค์ น, นี่ โอ้ยยิ่งว่านดนตรีทุกๆวงในเมืองไทยนี่แหละดนตรีประสานเสียงอยู่บนสวนเรื่องกลิ่นก็โอ้ยหอมสุขคนทรชาติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหอมเต็มไปหมดไม่ใช่หอมเหมือนเราเนี่ยใกล้ท่นไม้ก็หอมของเขามันหอมโดยอัตโนมัติหอมโดยธรรมชาติการสัมผัสก็นิ่มนวนไปหมดไม่มีร้อนไม่มีหนาวเกินไปไม่มีร้อนเกินไปไม่มีเย็นเกินไป ไม่มีสัมผัสแข็งสัมผัสกระด้างไม่มีอะไรแหละไม่มีเหลือไม่มียุงอ่ไม่ต้องเป็นหิดเป็นขี้กากให้ ไ, ด, ไ ด, ด้ได้ขูดได้ขัดได้เกลาม่มีสบายรื่นเรืองเพลิดเพ ล, ลินอยู่บนสวรรค์ น, นี่แค่สวรรค์หกชั้นนะอำนวยผลให้เราได้รับผลของกามกามคุณเต็มแปร่อยู่บนนั้นแหละกามคุณเต็มแปรอยู่บนนั้นแหละอันนี้สงอะไรมากมายที่เขาพูดขึ้นนั่นแะ เป็นเทพประมุตินีโอ้มีเทพประดาเป็นบริษัทบริวารเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆพวกนี้เป็นบริษัทบริวารเขาทั้งนั้นแหละเป็นบริจาริกาทั้งนั้นเป็นพวกคอยบำรุงบำเรอทั้งนั้นเป็นบริษัทบริวารทั้งนั้น เพราะฉะน้นพวกมกักมา ก, มา ก, มากทั้งหลายทั้งปวงทํามากมากอยู่ในโลกมนุษย์แล้วไม่พอมากมากอยากได้อย่างนั้นเนี่ยต้องมาสร้างสวรรค์เพื่อจะได้ไปเกิดบนสวรรค์มันจะได้ใช้สอยสิ่งเหล่านั้นอย่างสมสมความอยากเรื่องของกามาคุณเป็นอย่างนั้นนี่บนสวรรค์นี่สวรรค์หกชั้นนี่เป็นสวรรค์ที่สวยกลามเป็นสวรรค์ที่บริโภคกามทัน้นชี้เรียกว่ากามาคุณทั้งหลาย ไปสมบูรณ์แบบบริบูรณ์อยู่บนสวรรค์นั่นแหละสวรรค์หชั้นนะชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมิตวสวัสดีพร ะ, ะนิมานาดีปรินิมิตวสวัสดีสวรรค์สูงมากไปกว่านั้นเป็นสวรรค์ที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณสวรรค์ที่สูงมากไปกว่านั้นไม่เกี่ยวกับกามคุณไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกับกลิน่นกับรสกับสัมผัสกับอะไรต่ออะไรเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นสวรรค์นบนนั้นจึงเป็นสวรรค์ของคนเจริญฌานน้าเจริญสมาธิเป็นสวรรค์ของคนพวกพวกเจริญสมาธิเจริญสมาธิได้ได้อารมณ์ละเอียดได้อารมณ์ละเอียดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยท่านเรียกว่าปฐมฌานาปีติสุขเอกคตาเนี่ยเป็น ฌานที่สทุติยฌานปีติสุปีติสุขเอกกตาเป็นฌานที่สมนะเหลือแต่ปีติกับเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาในฌานที่4นี่เป็นอารมณ์ของฌานคือพอนี้เจริญฌานเจริญฌานแล้วทําให้จิตได้รับความสงบได้รับสมาธิความสงบอันเนื่องจากจิตสงบเพราะจิตได้สมาธินั่นแหล ะ, ะไม่เกี่ยวกับ กามคุณเพราะฉะนั้นเป็นจึงเป็นความสุขที่ละเอียดที่ประณีตไปมากกว่าความสุขที่เราสวยกามคุณละเอียดเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ละเอียดเป็นความสุขที่ประณีตนี่แค่เราไปสวยความสุขจา ก, กจิตของเราสงบเนื่องจากเราเจริญฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ี่อันนี้เป็นรูปฌานแล้วก็จะารูปฌานละเอียดเข้าไปอีก ละเอียดเข้าไปอีกจึงสามารถเข้าสัญญาเวททะยุตนิโรธได้ละเอียดเข้าไปอีกเหมือนกับดับรูปขันธ์นี้ทั้งหมดละเอียดขึ้นไปอีกนี่คือการารักษาอารมณ์พวกนี้ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ที่ไม่เกี่ยวกับการมคุณและความสุขที่เขาได้รับเนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไระเกี่ยวข้องกับความสงบพระเจ้าท่านจึงส่งตัดความสุขทั้งหลายทั้งปวง อื่นใดจะเสมอความสุขจากความสงบใจนี่ไม่มีนัตถิสันติพรังสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีนี่ละเอียดประี่ขึ้นไปอีกเป็นความสุขที่ละเอียดคือทิ้บอะไรก็ทิ้บไปหมดอะไรก็ทิ้บไปหมดอันนี้เราพูดเราพูดถึงเราพูดถึงอันนี้สองบนสวรรค์นนะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอนุ ป, ปูปิคตาเนี่ยแต่อันนี้ท่านท่านก็นพูดพูด แต่ในในในอนุปูปิกถาเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงอเนส่์ของรูปชานอรูปฌานท่านไม่ได้พูดถึงท่านพูดถึงแต่อเนส่์ของกามคุณจากการที่เราได้อะไรสมบูรณ์พร้อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเสร็จแล้วท่านก็นสรุปเข้าไปอีกว่ า, าท่านพูดถึงคุณแล้วท่านพูดถึงโทษกามคุณทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้บนสวรรค์นั้นนะ่ะมีโทษทั้งนั้น มีสุขมากเท่าไรก็มีโทษมากเท่านั้นยังเป็นโทษอยู่ถ้าท่านไม่ชี้บอกว่าเป็นโทษคนนี้ก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละโอกาสที่จะทีบตัวออกไปจากกามคุณทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพื่อที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงตามหลักสัจธรรมไม่เห็นมันไม่เห็นเพราะจิตใจมันติดอยู่อย่างนั้นมันคล้องมันคาอยู่อย่างนั้นแหละแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปถึงการถึงคราวถึงเวลา ม, มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป อยู่บนสวรรค์อายุเท่านั้นปีทิพธนี้ปีทิพย์ร้อยปีทิพย์พันปีทิพย์หมื่นปีทิพย์นาวันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปเดี๋ยวก็หมดพอหมดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วบางทีก็หมดอายุไขบนสวรรค์ก็ตกตกุบมาเกิดบนมนุษย์หรือไม่ก็ตกตกุ๊บไปเป็นเดริชานหรือไม่ก็ตกตกุ๊บไปนู่นไปเสวยภพของของนรกทั้งหลายทั้งปวง ตกไปงั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของอะเวจีมหานรกอันนี้ไม่ต้องตกมาจากสวรรค์แหละถ้าทําผิดบนโลกมนุษย์แล้วก็รล้วลงไปเลยไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีกรรมอื่นที่จะไม่ให้ผลแทนขั้นที่จะมาให้ผลขั้นของอันนี้เหมือนอย่างพระเทวทัตตกไปก็เล้วไปเลยเลยอเวจีมหานรกเลยไม่มีชั้นอื่นที่จะมาขั้นไม่มีชั้นอื่นที่จะมาขั้น พระ้ า, าชาตศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชบิดาข่าพ่อของตัวเองอตามหลักก็ถือว่าอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีระหว่างขั้นแต่ว่าอาจารศัตรูสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขทันสมัยที่พระพุทธเจ้า ย, ยังทรงพระชนอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือพระองค์หลงไหลไปกับพระเทวทัตจึงต้องได้ฆ่าพ่อของตัวเองไม่ได้ อาศัยดั้งเดิมเต็มรอยของตัวเองสู่คนอื่นมากล่อมกล่อมมายุโยงส่งเสริมถึงใน้ข้าบเจ้ของตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กๆนะ่ะข้าพเจ้าพิมพิสารพเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบันจับท่านไปขังไว้ท่านก็มีความสุขกับเดินจงกรมท่านก็มีความสุขกับนั่งภาวนาไม่เอาไม่เอาข้าวไปส่งที่แรกก็ส่งข้าวบ้างตอนหลังมาไม่ให้อดข้าว อง ก, กม็มีความสุขกับเดินยังกลมมีความสุขกับนั่งภาวนาไปแอบดูเห็นว่าโอ้ท่านอยู่ได้ท่านยังไม่ตายอ่าให้ช่างกระบอกเนี่ยไปปาดเท้าเอามีดโกนไปปาดไปกรีดเท้าท่าน เ, เอาเลือกเอาเก ล, ลือทาโอ้ลองดูเดอ้ออ่เอามีดโก น, นไปกรีดเท้าท่านแล้วเอาเกลือทาโอ้แล้วท่านนอกจากเจ็บปวดแล้วจะให้ท่านเดินได้ยังไง เดินไม่ได้แล้วตอนนี้นั่งเจ็บปวดทรมานอยู่นั่นแหละเดินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่นานก็อสวรรคตขดไม่นานก็สวรรค์ขดพญาพิมพ์พิสารได้ตายเพราะฝีมือของลูกเพราะคําสั่งของลูกของเจ้าอาชาศัตรูแต่อาชาศัตรูมาระลึกได้แล้วก็มาเห็นภัยตอนพระเทวทัตถูกพผ่นดินสูบด้วยอายชาตศัตรูยิ่งกลัวใหญ่เลย ถามหมอชีวกมอชีวะก็เลยเาพาไปกราบพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่สวนของข้าพระองค์อยู่แล้วพาไปกราบพุทธเจ้าไปเคียงพุทธเจ้าอยู่ท่ามกลางพระสงฆ์เป็นจํานวนมากสงบสงียมสงดัดโอ้รู้สึกถูกจริญถูกอกถูกใจเหลือเกินโอ้เราเนี่เป็นหลงผิดพระเทวทัตมายุใหญ่จนได้ฆ่าพ่อของตัวเอง ไม่เคยได้มาเข้าได้มาเข้าใกล้ร่มเงาของพระองค์เลยมาเห็นแล้วก็โเลื่อมใสศรัทธาจริงๆเลยนึกขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอกลับเนื้อกลับตัวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีอะไรที่จะองค์พระธรรมบำรุงพระพุทธเจ้าบำรุงพระสงฆ์บำรุงพระพุทธศาสนาก็ตั้งอกตั้งใจบำรุงเต็มที่ พระพุทธเจ้าปริรนิพานไปก็ดีเสียอกเสียใจนี้คิดถึงนึกถึงนี่คือระลึกกลับกลับตัวได้มีความรักในพระศาสดาอย่างมากจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วกี่เดือนสเดือนทําสังขยนาพระจาร้าศาัต ร, าา ร, าา ร, าารูรับเป็นภาระทั้งหมดรับเป็นภาระทั้งหมดที่อยู่ที่ขบที่ฉันประสงฆ์ต้องเท่าไรห้าร้อย500หรือเท่าไรทําอยู่เจเดือน พระยาชาศัตรูก็รับเป็นภาระเลี้ยงดูประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อทำสังขายนาร้อยกรองอรื้อฟื้นพระธรรมวินัยขึ้นมาให้เป็นแบบฉบับคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปรับภาระเต็มที่เพราะฉะนั้นอาชาติศัตรูจึงไม่ได้ตกอเวจีมหานรกกลายมีนรกขุมอื่นมาขั้นซะแล้วก็แล้วก็พ้นจากอเวจีมหานรก ไปเกิดในโลหะกุมพีโลหะกุมพีก็เกิดในนรกหม้อทองแดงกลุมพีคือหมอ้อโลหะกุมพีก็คือหม้อทองแดงนรกหม้อทองแดงจะอาชาติอาชาติศัตรูนะก็ไม่พ้ขนขณะไปเกี่ยวข้องกับพระเจ้าถึงขนาะนั้นก็ตามโทษหนักที่สุดจากอเวจีมันก็ผ่อนผันมาขึ้นมาถึงโลหะกุมพีเนี่ยอันนี้มีตัวอย่างเดียวที่เราเอามาพูดได้นอกนั้นไม่มีไม่มี นราขุมอื่นมาขั้นได้ไม่มีบาปกรรมขุมอื่นมาขั้นได้ตายแล้วต้องไปงทันทีอนันตรยกรรมกรรมที่ไม่มีกรรมอื่นมาอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีกรรมอื่นมาขั้นตายแล้วปุ๊บปั๊บเอเวปี่ทันทีนี่เราพูดถึงพเจามพิสานถูกอาจารศัตวรูค่าแต่ก็มีกรรมอันนี้มาขั้น มีกรรมอันนี้มาขั้นนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงสวรรค์ที่เราพูดถึงว่าเทวดาที่จุติจากสวรรค์แล้วเนี่ยจะไปอเวจีมหารกเลยไม่มีเพราะเวจีมหารกไม่มีอะไรมาขั้นนะไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยแล้พูดตั้งใจเจริญสมาธิก็ได้สวรรค์ที่ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นมีความสุขไม่เกี่ยวกับกา ร, รมคุณละ ไม่มีไม่เกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรมีความสุขกับความสงบจิตดิ่งมีอารมณ์อันเดียวไม่มีกิเลสเข้าไป ย, ยุ่ยแย่ก่อควรจิตได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงในอนุภูมิกาานะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวข้องผูกพันแต่มันละเอียดเกินไปที่จะสอนยศาส ก, กุลบุตรจากนั้นและพระองค์ก็แสดงถึงโทษ ของกามกคุณที่จะพึงได้รับบนสวรรค์นั่นนะ่ะกามกคุณทั้งหมด ท, ที่ที่พวกเธอทั้งหลายมาอิ่มเต็มแปรสุขสบายสำเริงสำราญกันอยู่นี้น่ะต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปแม้แต่ภาวะของความเป็นเทวดาชั้นนั้นๆัก็ต้องเปลี่ยนไปจุติไปเกิดที่อื่นหมดอายุหมดบุญหมดกรรมอ่าก็ต้องไปไปเกิดที่ใหม่ หมดบุญหมดกรรมที่จะฝึงได้เสวยตัวนั้นก็ไปเกิดที่ใหม่พระองค์ก็เลยแสดงโทษโทษของกรรมโทษของกรรมทําไมถึงว่าถึงว่าโทษของกรรมโทษของกรรมก็คือความต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละความต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละแม้แต่กําลังบริโภคกรรมสเสวยกรรมอยู่ด้วยผลในปัจจุบันทันด่ว น, นกาลังเสีสุขอยู่เดี๋ยวก็มีความทุกข์มาแทรกกําลังเสีทุกข์อยู่เดี๋ยวก็มีความสุขมาแทรก เพราะฉะนั้นท่านยังมีสุ ข, ขเวทนาทุก ข, ขเวทนาอุเบกขาเวทนาเนี่ยเวทนาก็คือผลผลเสพของกามคุณนั่นแหละผลเสพของกามคุณท้าเรียกว่าเวทนาแปลว่าสวยอารมณ์สวยอารมณ์เวทนาแปลว่าสวยอารมณ์เดี๋ยวก็มีความสุขเปลี่ยนจากความสุขไปเปลี่ยนความทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขแล้วก็ไปเป็นอุเบกขาเวทนา คำเอาเบคกขาเวทนาก็คือมันอยู่ในท่าทีที่เตรียมพร้อมพร้อมที่จะตกไปสุขเวทนาหรือพร้อมที่จะตกไปเป็นทุกขเวทนานี่คือมันไม่เปลี่ยนมันมันไม่คงที่อยู่อย่างนี้พระ อ, องค์จึงเทศถึงโทษของกามคุณนอกจากนั้นแล้วนอกจากแสดงโทษของกามคุณแล้วพระองค์ก็เปิดทางให้ออกอไม่ใช่ไปปิดประตูตีอยู่ในห้องไม่ใช่เดี๋ยวอา้าวสวรรค์ดีงี้ดีอา้าว พูดไปพูดมาเอา้าสวรรค์มีโทษอย่างนี้โอ้อะไรจะให้พระสัพพะออกไปตรงไหนพระองค์ก็เลยเปิดประตูให้แสดงถึงอานิสงส์การออกจากกามแสดงถึงอานิสงส์การออกจากกามคุณอันนี้คือชี้ไปที่มรรคปฏิปทาคือข้อปฏิบัติหลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาขามวดด้วยอริยสัจสี่นี่คือทางดําเนินไปสู่การเห็นอริยมรรคอริยผล ในเบื้องต้นได้เข้าไปสู่สัจจธรรมให้เห็นสัจธรรมเพื่อที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้แสดงถึงอานิสงส์การออกการออกจากกรรมคุณคืออานิสงส์การออกบวช น, นละล่ะมีกายออกจากกามมีใจออกจากกามเนี่ยมีกายสงบแล้วก็มีใจสงบมีกายสงบจากกามแล้วก็มีใจสงบจาก กาเนี่ยมัเริมออกมาจากกามละแสดงถึงอา น, นิสงส์การบวชอานิสอันเนคขมะเนคขมะมานิสังสกถานะเนี่ยแสดงถึงอา น, นิสงส์การออกบวชพระเทศจบแล้วก็ขมวดด้วยอริยสัจสี่แสดงเรื่องทุกข์ผลที่เกิดขึ้นในสวรรค์ที่ได้พึงรับทั้งหมดนั่นนะเป็นเป็นผลอันเกิดขึ้นจากเหตุ อันนี้ก็เทียบเคียงถึงเหตุในภายในอภายในดวงใจแสดงไปถึงทุกถึงสมุทัยเหตุให้เกิดทุกแท้จริงสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นน่ะมันเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่ใจตัณหาการมตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิด ร, ปรูปปัรฐำเป็นเหตุให้เกิดนามธรรมรูปปัฏฐำกับ น, นามธรรมานี่แหละมันเป็นตัวผลอืม จึงให้มาพิจารณารูปธรรมนามธรรมพิจารณารูปกายพิจารณานามกายคือจิตใจนั่นแหละพิจารณาเพื่อย้อนเข้าไปที่เหตุของมันคือตัวสมุทยัยคือการมัตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาที่มีอยู่ภายในจิตนั่นแหละแล้วก็ไปลดไปเลิกไปละที่จิตนั่นคือพยายามเข้าไปถึงจุดถึงสาเหตุถึงต้นต่อของต้นต่ออย่างสุดสุดสุดต้นต่อคือตัวสมุทยัยนั่นแหละ แสดงแสดงทำจบอในระหว่างในระหว่างที่ทําใจอยู่ตอนนั้นก็คือปฏิบัติตามมัตแต่คนที่เขเกิดสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เขามีบุญแค่ส่งกระแส จ, จิตไปตามเสียงอัดเสียงทำที่พระุทธเจ้าทรงแ ส, งสดงกับเหมือนกับพระพุทธเจ้าจูงมือเขาไปเลยจูงจูงจูงจู ง, จงไปพอถึงอันนี้ตรงนี้จิตก็เข้าถึงปุ๊บทันทีสมัยพระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนอยู่มีผลเมียในทรงอย่างนั้น เพรนั้นใครเกิดตอนนั้นเขาเขาถือว่าเป็นคนที่เกิดในกาลสมบัติเป็นการเป็นเวลาที่ถึงพร้อมสมบัติแปลว่าความถึงพร้อมอืมไปฝึกฝนอบรมเพื่อมรักเพื่อผลก็พร้อมที่จะได้ขึ้นมาอย่างสดสดร้อนรตอนนั้นอริยสัจคุรบุตรเมื่อฟังอนุปุปพิฆาตจบถุกพระเจ้าขมวดด้วยอริยสัจสี่จบได้เป็นพระโสดาบันเน่ชี้ทางออกในที่สุดอริยสัจคุรบุก็เดินตาม มือท่านไปนี่คือทางออกคือประตูออกเพราะจิตก็ส่งไปตามนั้นก็เข้าถึงกระแสธรรมได้เป็นพระโสดาบันนี่เราพูดถึงอารมณ์ที่ที่เป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมอารมณ์ที่ไม่เป็นธรรมก็คือมาปรากฏในตอนนั้ น, นก็เหมือนกว่าเหมือนกับว่าสี่เหลานี้เป็นเครื่องขัดข้องแต่ในขณะเดียวกันในใจดวงนั้น มันมีอารมณ์ภายในใจเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมกลายเห็นเป็นอารมณ์ของกิเลสน่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องขัดข้องไปหมดอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากอะไรมันจะขวางหูขวางตาขัดหูขัดขขาตาไปหมด อ, อยากจะหลบอยากจะลีอยากจะหนีไปพอดีมันเข้ากันได้พอดีดที่พระพุทธเจ้าท่านยกเรื่องอนุปูพิกถามาแสดงมันเข้ากันพอดีชี้ทางออกหลุดไปได้เลย นี่คือยัตสะกุลบุตรเราพูดถึงอารมณ์ภายในใจของคนเราอารมณ์ก็คือสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องจิตนั่นแหละจิตเห็นรูปรูปเป็นอารมณ์จิตได้ยินเสียงจิตได้ยินนะไม่ใช่หูได้ยินจิตได้ยินจิตเห็นรูปจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตได้สัมผัสจิตได้รสเพราะว่างานการอายตนะภายนอกภายในมันทํางานกันมันจะประสานกันตลอด มันจะเกิดจากขุัวิญญาณโสตวิญญาณคณนะวิญญาณเชีวหาวิญญาณกายยะวิญญาณเกิดความรู้ทางใจสัมผัสกันประกอบกันทุกครั้งทุกครั้งยับยบยับยับยบยบยตลอดถ้าเราพูดให้ตรงตามหลักปฏิบัติก็คือใจได้ยินใจได้เห็นใจได้ยินใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้ได้ยินใจได้ถือใจได้รสใจได้สัมผัสใจได้สัมผัสนี่เราพูดถึงอารมณ์ อารมณ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตของเราพร้อมจะน้อมเอี่ยงหรือเปลี่ยนไปตามอารมณ์เปลี่ยนไปตามอารมณ์แต่ถ้าจิตของผู้ตั้งใจศึกษาธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตจะไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตจะดูอารมณ์จิตจะพิจารณาอารมณ์เพื่อให้เห็นความแท้จริงในอารมณ์นั้นๆเห็นรูปก็พิจารณารูปอะไรเป็นข้อแท้จริงของรูป ได้ยินเสียงก็พิจารณาเสียงอะไรเป็นข้อเท็ จ, จริงของเสียงพิจารณารูป ก, ก็ตามพิจารณาเสียงก็ตามพิจารณากลิ่นพิจารณารสพิจารณาสัมผัสกายสัมผัสก็ตามพิจารณาน้อมไปเพื่อไปทราบเหตุผลต้นตอที่แท้จริงของมันที่ท่าเรียกว่าสาวไปหาสมุทยัยสมุทยัทยเหตุเกิดของมันเนี่ยสาวไปสบาย ไ, ไม่มันไม่เกิดที่รูปมันไม่เกิดที่เสียงที่กลิ่นที่รสนะมันเกิดที่จใจอ่าใจหลงก็คือใจยินดีใจรักใจเช่า ดึงเข้ามาใจไม่หลงก็คือใจเห็นก็สักเทว่าเห็นเห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสแต่ละอย่างแต่ลอย่างแต่ถ้าเห็นโดยธรรมก็คือเห็นโดยเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าไม่เห็นโดยธรรมอ่าเห็นโดยกิเลสก็คือโอ้ยรูปงามถูกใจก็คือว่างามไม่ถูกใจก็คือว่าไม่งามถูกใจก็ดึงเข้ามาไม่ถูกใจก็ผลักออกไปทีบออกไปว่างั้นเถอะ เกิดชอบกับไม่ชอบนี่แหละคืออารมณ์ของกิเลสมันไม่เห็นสักเทวะเห็นนะแต่ถ้าเป็นอารมณ์ของธรรมแล้วเห็นสักเทวะเห็นเห็นสักเทวะเห็นเห็นเป็นเหตุเห็นเป็นปัจจัยอ่ผู้ที่เกิดความรู้เกิดความเห็นที่เรียกว่าจิตเห็นจิตไม่ได้ไปไปเกาะเกี่ยวผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเห็นก็สักเทวะเห็นไปรู้เข้าใจหมดได้ยินก็สักเทวะได้ยินสัมผัสก็สักเทวะสัมผัสน้อมนึกในภายในด้วยอารมณ์ของสัญญาอารมณ์ ก็พิจารณาไปตามอารมณ์ต่าง ๆ, ๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจนอกจากนั้นแล้วก็พิจรารณาเห็นศักดิ์ที่ว่าสัญญามันปรุงแต่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในหัวใจท่านเองเนี่ยหัวใจของผู้ได้ยินได้ฟังได้ฝึกฝนอบรมการศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมมันแตกตก่าง ก, กันกับคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมากยิ่งกว่าฟ้ากับดินไกลห่างไกลกันราวฟ้ากับดิน มันห่างไกลกันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นเรื่องที่เราต้องขวนขวายต้องดิ้นรนต้องแสวงหาแต่เรื่องของกิเลสกิเลสมันพาเราดิ้นรนแสวงหามันเป็นตัวพลังงานในตัวของตัวมันเองแต่ถ้าเป็นธรรมะเราไม่มีพลังงานในตัวของตัวเราเองเราจะต้องมาซ่องมาเสพมาได้ยินได้ฟังมาฝึกฝนมาอบรมมาขัดมาชำระมาขัดมาเกล่ามันต้องต่อสู้ดิ้นรนอ เพื่อความเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอย่างแท้จริงถ้าเราปล่อยใจร่องลอยไปตามอํานาจของกิเลสตามกระแสของกิเลสกิเลสมันพาเราจิตของเราเนี่ยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยตามอำนาจของมันไปตามกระแสของมันะกระแสของมันก็คือกระแสของตัณหาเนี่ยกระแสของกามตัณหาตัณหาทั้งหมดก็คือผลของกามนะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือไม่ชอบใจเรื่องของกามอรูปธรรมของกามนามธรรมของกาม ที่ไม่ถูกใจไม่สบใจใจต้องการไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ต้องการวิพวะตันหาเช่นร่างกายต้องแก่ไม่อยากแก่ร่างกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บร่างกายต้องตายแต่ไม่อยากตายมีความชอบที่ฝ่าฝืนต่อหลักสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงก็เป็นตันหาอีกชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งนี่คือตันหาที่เกิดขึ้นภายในหัวใจ ว่าเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ปักใจกับข้อปฏิบัติขวนขวายฝึกฝนอบรมแล้วก็เจริญความสงบแล้วก็เจริญปัญญาเจริญความสงบคือเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเข้าพอเราเจริญสมาธิสมาธิก็มีกำลังมากขึ้นสมาธิก็หนุนปัญญาก็ทำให้ปัญญาทำงานได้คล่องแคล่ว ทำให้ปัญญาเนี่เปิดตัวได้ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากไม่มีสมาธิแล้วมันไม่มีกำลังอะไรมาหนุนนะไปเอาเรียวแรงตั้งใจพิจรารณาตั้งใจนึกตั้งใจคิดตั้งใจอะไรไม่ให้จิตมันได้รับความสงบด้วยอาศัยลาแข่งอย่างเดียวแต่คนประเภทขิปปาพินญาเนี่ยใช้ได้โย่แต่เขาฝึกฝนออปราม า, ม า, มากแต่ประเภทอ่า ทันธาพิญญาเนี่ยรู้ยากเห็นยากเข้าใจยากเนี่ยต้องมีอบรมต้องอบรมความสงบมีความสงบเป็นเพื่อนเป็นบาตเป็นฐานความสงบนี่ก็เป็นกําลังในตัวเองอมีกําลังในตัวเองแม้แค่ความสงบจากสมาธินี่เราก็พออยู่พอเป็นพอไปมีจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานอยู่ข้างในอืพร้อมกับความรู้ความเห็น หยาบที่จะพึงเกิดขึ้นเรื่องหลัของสัญธรรมหยาบหยาบที่จะพึงเกิดขึ้นรอบความตัวเรามันก็จะพลอยรายงานให้เราพอได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจบ้างไม่เหมือนจิตที่เราไม่เคยได้รับความสงบมา ก, ก่อนอมันเป็นการที่ถูกกิเลสรายงานรายงานให้เราทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกขณะจิตเลยกิเลสรายงานเท่านั้นไม่ใช่ธรรมะรายงานแต่จิตที่มีความสงบภายในใจที่จิตที่มีความสงบที่เรีทวสมาธินั่นแหะ ธรรมะคอยรายงานบ้างเพราะฉะนั้นสัจธรรมที่ไม่ละเอียดถึงขั้นอนุสัยที่แท้จริงเนี่สัจธรรมเหล่านี้เราเริ่มจะรู้ได้รู้ได้เพราะพื้นเพของเจิตของเรามันมันมันแปลกแปลกกว่าจิตที่ไม่มีความสงบมันละเอียดละเอียดโดยอัตโนมัติของมันมันอัศจรรย์โดยอัตโนมัติของมัน เราได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมให้มีให้เป็นให้ไปที่เราทั้งหมดนั้นเป็นกลุ่ยหมายป้ายทางเป็นช่องทางที่ทําให้เราควรเราควรจะเลือกอะไรเราจะเดินอะไรเราจะเดินตามธรรมหรือจะเดินตามกุทธิบิด เ, เราควรจะเลือกข้อปฏิบัติอย่างไรแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินท่านให้เห็นโทษของกามแล้วก็ท่านชี้โทษให้ออกจากกาม ข้อปฏิบัติก็คือสรุปมาที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญาศีลก็เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานไม่มีศีลเหยียบมันก็ไม่มีอะไรเหยียบเมื่อเราไม่มีเมื่อเราไปทํางานแบบไม่มีฐานที่เหยียบให้แข็งแรงมั่นคงฐานไม่แข็งแรงมั่นคงเราเหยียบเมื่อเราเหยียบที่ตรงพิคลนทํางานมันไม่มันไม่ถนัดเรามีศีลเรามีสมาธิมีที่เหยียบแน่นหนามั่นคงในการทํางานพิจารณาเกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญา ก็พร้อมที่จะเป็นที่จะไปได้อย่างได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเอาหน่อยเนาะพอสมควรกับเวลาพอสมควรกกับเวลาเลิก